ตอนนี้ก็ศึกษาในพุทธคุณกล่าคือคุณของพระผู้มีพภาคเจ้าเนี่ยที่นี่ในการศึกษาพุทธคุณในคุณของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราลำดับเกี่ยวในเรื่องความเป็นไปของในเรื่องของควาว่าสังสารวัฏเนะคื อ, อลำดับความเป็นไปตรงนี้แหละที่นี้ลำดับแห่งความเป็นไปของสังสารวัฏเนี่ยดูที่ไหน พระพุทธเจ้านั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ตัดสรู้อริยสัจจะทั้งหลายนะในพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระคุณของพระองค์นั้นอ่ะพึงมีในสังสารวัฏนั่นนะอันไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายเพราะเหตุเลยพระพุทธเจ้าและคุณของท่านมีอยู่ในการทั้งปวงก็มหมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นสร้างบา ร, รมีมาทั้งในอดีต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 เขาเรียกว่าเห็นคุณของพุทธเจ้านั้นในการทั้งปวงทีนี้ถ้ามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าในคำสอนที่เราศึกษากันมาเมื่อวันก่อนที่บอกว่าความที่ขันาธนาตุอายตนะเป็นไปโดยลำดับไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสังสารวัตรใช่ไหมทีนี้ <c oughs> ในขันธสันดานของ พระโพธิสัตว์ถ้าพ่าโดยรูปก็คือรูปยี่สิบแปดเพราะบางครั้งก็เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายรวมไป็ลยคือรูปยี่แปดเนี่ยนะที่เกิดสืบต่อกันมาและขันธสัญญาณคือจิตและเจตสิกอีกห้าสิบสามจิตหนึ่งเจตสิกห้าสองเห็ น, นยังเราจะเห็นรูปยี่สิบแปดจิตหนึ่ง แล้วก็เจตสิกอีกห้าสิบสองย่อมมีอยู่นั้นในขันธาตุอายตนะของพระโพธิสัตว์ของพระมหาบุรุษของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะความเป็นไปของขันความเป็นไปของธาตุความเป็นไปของอายตนะเนี่ยเป็นไปตามลำดับไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระนั้นสังสาระของพระโพธิสัตว์ของพพุทธเจ้าเนี่ย ที่สืบเนื่องกันมาแต่ละองค์แต่ละองค์แ ต, งคแต่ละองค์นี่นะเบื้องต้นนะเบื้องต้นแต่ก่อนก็คือหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้อันบุคคลตามรู้ไม่ได้จะอยู่ต่อมาเน้นนะขันขันนั้นได้ปารบความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกปาปราโพธิญาณขันห้าคือนามขันสี่นั้นปารบโพธิญาณ ตั้งอยู่็นรูปบัคขั น, นั่นแหละได้ปารบโพธิญาณขึ้นมาก็เลยบอกว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าสัตว์จะอะไรที่จะยิ่งจะหย่อนไปกว่านี้ย่อมไม่มีแต่ว่าโดยภูมและดุกคนนะสัตว์นะถึงแม้มีความยิ่งความหย่อนในบางข่าวแต่ก็ย่อมมีการย่อมมีอีกนั่นแหละที่บอกว่ามีการสืบต่อเหตุยังไม่หายไปขันตาสันดาลของพทะเจ้าก็เหมือนกันนะ ก่อนเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนการตัดทรู้ขันของพระองค์ก็สืบต่ออย่างยาวนานมาในสังสารวัตรอันไม่มีเบื้องต้นในขันทันดันอย่างนี้ท่านใช้วัหานว่าสัตว์และ ว, ว่าโดยบุคคลใช่ไหมเพื่อสะดวกในการเรียกขานสัตว์ที่ถึงการเรียกขานอย่างนี้ยังไม่พยายามยังไม่ตั้งปณิธานเพื่อโพธิญาณตราบใด ก็ยังเรียกขันของบุคคลนั้นว่าสัตว์อยู่ตราบนั้นแต่ถ้าขันของท่านผู้ใดนะ่ยเพียรพยายามตั้งปณิธานเพื่อโพธิญาณจะตั้งแบบไหนจะตั้งสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณหรือสาวกโพธิญาณ น, นะผู้นั้นถ้าตั้งเป็นโพธิญาณ น, นะคือสัมมาสัมโพธิญาณเนนะี่ยจึงจะชื่อว่าพระโพธิสัตย์ ผู้นั้นได้โพธิญาณในการใดชื่อว่าพระพุทธเจ้าในการนั้นฉะนั้นรูปยี่สิบแปดพระหมหาบรุษมีรูปยี่สิบแปดที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาขันทันดานคือจิตเจสิบห้าสิบสามย่อมมีอยู่จนถึงอนุ ป, ปาทาปรินิพานนั้นใช่ั้ยนั่นแหละคือการสืบต่อคือการสืบต่อ ถ้าใครยังไม่ตั้งโพธิญาณไว้ในใจก็ถึงการนับว่าเป็นสัตว์ถ้ากระแสขันนั้นเกิดฮึกเหิมเพียยพยายาวขึ้นมาไม่ใช่คาว่าึกเหิม้ใช้คำว่ามีสัทธาวิรยรสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกำมลนในขณะสันดานของท่านบุญนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสัตว์บุคคลนะพูดเรื่องกระแสของรูปนามขันห้าของธาตุอายธาตที่กาลังหมุนไปตามสังสารวัฏเนี่ย ถ้าเกิดมีสธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาปารพโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งถึงการนับว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นหรือยังใครปารบการตัดสั้หรือยัง โพธิยานหมายถึงพระเจ้าเนาะโพธิเนี่ยมีจริงจริงะคำว่าโพธิเนี่ยมีสัมมาสัมโพธิปัเจกับโพธิและสาวกา่าโพธินะมะทีนี้ในบรรดากระแสขันทั้งหลายเนี่ยนะกระแสของขันธาติยานนาทั้งหลายที่สืบต่อหมุนเวียนไปโดยไม่ขาดสายเนี่ยเขาเรียกสังสารวัฏทีนี้ขันที่มีการสืบต่อไปในสังสารวัฏนั้นเรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคล เขาจึางเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมเออเนี่ยเขาเรียกเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ว่ากันไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่างถ้ายังไม่ถึงการเนการตั้งปณิธานเพื่อการตัสรุพอดิญานก็ไม่ได้พธิดัตว์เห็นไหมว่าสังสารวัตรเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าจริงจริงพอมีสังสารวัตรยังมีโพธดิญาน ถ้าไม่มีสังสารวัฏโพธิญาณก็ไม่มีใครเราจะคิดออกจากสังสารวัฏคือโพธิญาณ น, นั่นแหละจิตที่ปรารถนาโพธิญาณ น, นั้นแหละคือจิตที่คิดออกจากสังสารวัฏจิตที่จะทําอนุปาทาบริญพานในอนาคตและจะเขียนยังไงสังสารวัฏจะเขียนยังไง เริ่มจากประเด็นได้หรือยังเริ่มได้นะฉะนั้นถึงบอกว่าท่านภาษารีบุตรจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่พระชนนีตั้งไม่ใช่พระชนกตั้งไม่ใช่พระญาติแปดหมื่นตระกูลทรงตั้งคำว่าพระุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกานามนะเป็นสัจจิกาบัญญัติ ของพระผู้มีพระภาคยาวยทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับการได้เฉพาะซึ่งสัมพันยุตยานที่โคนต้นโพธิพึกเป็นต้นทีนี้ในพยานนี้เกิดขึ้นในการไม่นานหรือมีอยู่ก่อนแล้วตอบว่าอันพยานนี้มีอยู่ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นมิได้ทําอะไรอะไรที่ไม่ตามมาในการเกิดขึ้นสืบต่อย่อมไม่มีถึงอย่างนั้นนะพะยานก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะอนุสัยกิเลสทั้งหลายยังนอนเนื่องอยู่เป็นเวลา ถึงขนาดนี้เพราะพยานยังไม่บริสุทธิ์พระโพธิสัตว์จึงไม่สามารถกระทำสิ่งที่พึงรู้ได้ไม่มีส่วนเหลือให้แจมแจ้งเพระพาะฉะนั้นจึงยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ไงในปฏิวันชาตินี้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งณโนะคนต้นโเพเผากิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งวาสนาและนุสยัยให้ไหมจนไม่เหลือแล้วกระทาญาณให้บริสุทธิ์หมดจด กระทำพยานให้สามารถรู้สิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นแสงสว่างสวัยเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้สังสารวัติใช่ั้ยทีนี้ถ้าถามบอกว่าในการที่พุทธเจ้าเนี่ยที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้ขันธสันดานเป็นพระพุทธเจ้าหรือพยานเป็นระพุทธเจ้าอะไรเป็น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 ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระคุณคือพระพุทธเจ้าคือคุณของพุทธเจ้าด้วยประการอย่างนี้ถามอีกว่าด้วยคำอธิบายที่ท่านกล่าวว่าพยานเป็นวุฒิยาวยไหมความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพุทธเจ้าไม่พึงเข้าใจอย่างนั้นเหมือนเมื่อพูดว่าพระราชาสเสด็จเนะี่ยก็เป็นการพูดว่ากองทัพและยานพาหนะทั้งปวงก็มาด้วยฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตย่อมรู้ได้ว่าอารมณขันทั้งสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุติกับพยานและรูปขันที่เป็นที่ตั้งของอารมณขันอาศัยเป็นไปกันอยู่สรุปคือขันห้านั่นเลยนะก็ถูกทําให้บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกัน เมื่อพยานแล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือเมื่อแม้อรู ป, ปรขันที่สัมพยุตกับพยานก็แล่นไปด้วยไหมแล่นหรือไม่แล่นเพราะฉะนั้นการใช้วัวหารว่าพระพุทธเจ้าจึงใช้ได้ในความสืบต่อกันของรูปของนามของรูปของอรูปที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิน้นการใช้วัวหารว่าพระพุทธคุณจึงใช้ได้ในการที่ความสืบต่อนั้นบริสุทธิ์ การที่กระจกเงาใสสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงส่องแสงสว่างจ้าเป็นเหตุให้ประกาศให้รู้ถึงน้ํามันและไส้เป็นต้นความที่จักษุประสาทเป็นต้นเจ่มใสได้นั้นเป็นเหตุให้รู้ว่าจักคุญยานเป็นต้นน่ะรู้แจ้งรูปอารมณ์อยู่ไหมฉันใดภาวะที่จิตและเจตสิกเหล่านั้นมียานเป็นประธานไล่มุนทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นด้วยประการเช่นนี้แต่ถามว่า ความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นอะไรสร้างขึ้นมาอารหั t h a m a k h y a สร้างขึ้นมาอาร h a t h a m a k h y a อะไรสร้างขึ้นมาวิปัสนาญาณสร้างขึ้นมาอาร h a t h a m a k h y a อะไรสร้างขึ้นวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณอะไรสร้างขึ้นสมาธิสมาธิอะไรสร้างขึ้นศีลเห็นไหม สีเลปฏิฐา h y r นโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกุโศยมังวิชตเยชตังใช่ไหมนี่คาถาแรกในชตาสังยุตที่พระพุทธโคสอาจารย์เอามาเขียนวิสุทธิมักบอกว่าพโยคาวาจรหรือโนโวชนใดในะเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเห็นภายในสังสารวัตดดำลงมั่นในสีน จเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตนอยู่พึ่งทางลกชัดเป็นต้นได้นี่พอจะสรุปได้เนาะเนี่ยมากล่าวซ้ำให้เกิดความเข้าใจยอมติมพอมองเห็นเนะย่ยยมเนทนตุรีพอมองเห็นเห็นนะ น, นะนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเนาะ ทีนี้พอพระพุทธเจ้าเนี่เกี่ยวเนื่องกับสังสารวัตรฉะนั้นในสังสารวัตรเนี่ยขันของท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นี้คือตัวสังสารวัตรตอนนี้ขันของเราท่านทั้งหลายกําลังเดินอยู่นี่สังสารวัตกําลังเดินอยู่แล้วฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องสังสารวัตรก็พูดในเรื่องของขันธาตุยานตนะของเราท่านทั้งหลายนี่แหละที่มันกําลังเคลื่อนกันอยู่นี่แหละนะ แล้วจะออกยังไงจะออกจากติทั้งสารวัตรยังไงจะออกจากีติตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงจะออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวินญญาณยังไงจะออกจากอายตนะสิบสองยังไงจะออกจากียติท่าสิบแปดยังไงจะออกยังไงนั่นแหละหนทางในการที่จะออกจากสังสารวัตรปฏิปทาที่จะให้ดําเนินไปสู่ไอออกการออกจากสังสารวัตใช่ไหม ก็คือการจะต้องออกจากขันออกจากอายตนะถ้าออกจากธาตุออกจากสัจจะยังไงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงท่านบอกว่าถ้าสังสารวัตรเนี่ยต้องตีโจทย์สังสารวัตรให้แตกจริงๆริงเยอะถ้าโจทย์ของสังสารวัตมันแตกมันกระจายมันถูก เขียกระจายแล้วถูกสรุปลงได้ชัดเจนแล้วนักเข้ามันจะพูดสังสารวัตรแบบโลง่ลงโปรงและเป็นอิสระชใชไหมเพ่าะท่านผู้ที่กำลังเขียนนั้นก็ใช้สังสารวัตรนี่แหละเป็นตัวกาหนดเขียนน่ะใช่แลวมันกำลังเดินอยู่นี่แหละที่คนที่พูดที่จะเขียนเรื่องสังสารวัตรขออย่างเดียว พู้เขียนสังสารวัตรเชิญชวนให้คนออกจากสังสารวัตรอย่ากลายเป็นผู้ที่ติดอยู่ในสังสารวัตรเสเองเดี๋ยวคนทวงเอ้าเนี่ยที่ฉันจะออกจากสังสารวัตได้ก็เพราะคุณเขียนนะทําไห่เราคิดถึงพระที่เจ้าทาไมคุณไม่ออกเสีดีเดี๋ยวกุณยังหลงเนี้ยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ทีนี้ประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือมีชาติเขตอนาเขตแล้วก็วิสัยเขตใช่ไหมพอสรุปคําว่าชาติเขตได้หรือยังว่าไงนะชาติเขตหมายถึงอะไรสรุปชาติเขตได้ยังพุทธเขตของพระพุทธเจ้าชาติเขตอนณาเขตแล้วก็วิสัยเขตเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมงคลจักรวาลหนึ่งนี้เป็นเรือนประสูตรใช่หมหนึ่งหมื่นจักรวาลถัดจากนั้นไปเป็นชาติเขตหนึ่งแสโกดจักรวาลเป็นอนาเขตจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เป็นวิสัยเขตอันหาประมาณไม่ได้เป็นวิสัยเขตสรุปตรงนี้ก็คือชาติเขตนั้นเอาหนึ่งหมื่นจักรวาล อาณาเขตเอาเอาเท่าไหร่แสนโกดจักรวาลหนึ่งแสนโกดจักรวาลเป็นอาณาเขตจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้นั่นเป็นวิสัยเขตนี่เป็นพุทธเขตสามอย่างของพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้ามาพูดถึงในลักษณะอย่างนี้นะว่าก็มาดูในคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนาะสรุปในคําสอนตรงนี้จะได้ผ่านไปในเรื่องอื่นก็คือแสนโกดจักรวาลเนี่ยหมื่นจักรวาลก็ว่าไปแล้วแสนโกดจักรวาลเนี่ยย่อมพินาศและย่อมตั้งอยู่ด้วยดีพร้อมๆมกันที่ท่านพัลานาเรื่องสังวัตตกับวิวัตตกับ วิวัตตะสังวัตกับกับสังวัตถาีกับวิวัตกับแล้วก็วิวัตถาีกับใช่ไหมคำว่าสังวัตกับเนี่ยอากาศเบื้องบนและเบื้องล่างมีความมืดทั่วกันหนามากดำรงอยู่ตราบใดนั้นชื่อว่าเออเข้าไปก็คือการเกิดขึ้นเลยนะ นับตั้งแต่การเกิดมหาเมฆก่อการวิบัติจนถึงอาทิตย์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เผาเป็นต้นอลไรนี้นะจนถ้าเผาแล้วจนไม่มีเหลือก็เรียกสังวัตถายีจนเหลือแต่อากาศว่วางๆเลยเนี่ยในช่วงของสังวัตรกระับเนี่ยใช้เวลาหกสิบสี่อันตรกับใช่หมกสิบีอันตรกับนะั้นนับจากการที่อายุเป็นอสงไขยปี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 แล้วก็เหลือจากอากาศเว่องวางอีกหกสิบสี่อันตรกับอันนี้เขาเรียกว่าสังวัตถายีสังวัตตถาเยสุงขยัยต่อมาก็มีการเกิดก่อตัวขึ้นเขาเรียกวิวัตกับมันก็เริ่มจกมีการแผ่นดินเกิดขึ้นครั้งแรกไอการเกิดขึ้นของแผ่นดินครั้งแรกที่ปุ๊บครั้งแรกที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ตัดสรู้ของพระเจ้ทาทุกๆพระองค์ พระแท่นวัชระอาจก็จะต้องตั้งอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นอนูแผ่นดินอันแรกแม้แผ่นดินที่ไม่มีใจเวลามันจะตั้งขึ้นมามันจ้องตั้งบูชาเพื่อเป็นที่รองรับของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบา ร, รมีมาในสังสารวัฏอย่างยาวนานเพื่อมานั่งประทับตรงนั้นเพื่อจะตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมปทาญาแผ่นดินไม่มีใจยังคิดบูชาคุณของท่านแล้วเราอ่ะ นำมาทำรูปประทำมีเนาะไม่คิดบ้างรือที่จะน้อมบูชาท่านคิดไห ม, ไ ม, ไมไทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของสังวัตกับกับสังวัตถายีกับใช่ไหมเวลาโลกจะถูกทำลายลงเนี่ยจะเว้นที่ไว้ตรงที่ประทับ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 สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะกรรมทั้งหลายก็ยังหลีกไว้นี่มองถึงกรรมกรรมของทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่จะทําให้โลกวิบัติบอกไว้แล้วไนงะโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นเหตุของความวิบัติถึงโลกอโลภะอโทสะโมหะเป็นเหตุถึงการเกิดขึ้นของโลกฉะนั้นในกลุ่มของอกุศลธรรมทั้งหลายที่ทําลายโลกโลภะโทสะโมหะยังเกรงใจที่ประทับตรัสรู้ของพุทธเจ้า งั้นกลุ่มสังขารละขันทั้งหลายใช่ไหมเจตนากรรมทั้งหลายที่มีโลภะโทสะโมหะแวดล้อมอยู่เนี่ยเจตนากรรมเหล่านั้นยังไม่กล้าผลิตวิบากทําลายทันทีทันใดเหะเห็นนี่ยังสังสารวัฏที่ยาวนานขนาดนั้นองข้าพระองค์ยังไม่กล้าทําลายหรอกขอทําลายส่วนอื่นก่อนในทํานองอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันนวดใจหินบางคนไม่กล้าทําลายตี้ประทับเนี่ยลองคิดดูดิ พวกนี้ไม่รู้คุณเลยนี่ย เ, ยเขาจ เ, เกิดมาแล้วไม่รู้คุณก็เป็นดินไม่รู้คุณของที่ประทับของพระมาะหาบรุษกรรมยังรู้จักกละดิกเลี่ยงแต่สัตว์ที่ถูกกรรมซัดอยู่นั้นเน่ะกลับมืดบอดไม่ทุไม่รู้ว่าตรงนั้นที่ม อ, อีคุณเนาะนี่แหละหลายสิบปีที่แล้วที่อะไมาไปเกาะตรงนั้ น, นมามองไม่เห็นคุณเนี่ย คิดได้แต่มองไม่เห็นคุณใจมันได้แต่คิดศรัทธามันไม่เป็นไปกระจายเอาสิมันมันมืดขนาดนั้นน่ยใครจะมืดเท่ากาตามาอันนี้เนี่ยมืดขนาดนั้ะเนกาะนี่นะเกานะกรพราแท่นเนี่ยวชิราอาสเนี่ยคิดคุณได้ไม่เยอะคิดแล้วคิดอีกเดินไปเดินมาก็มาเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นน่คิดไม่เป็น คิดได้นิดๆหน่อยๆแล้วคิดเราได้ตรงนี้คิดได้เต็มหองไม่เห็นศรัทธามันไม่ไปด้วยทําไงมันไปนิดๆนิดๆนิดๆนะศรัทธาไม่แล่นน่ะใช่ไหมเหมือนคิดถึงใครก็ได้แต่เมตตาไม่ไปเงี้ยคิดถึงใครก็ได้กรลยาณ์ไม่ไปคิดถึงใครก็ได้มุทิตาไปไม่เป็นคิดถึงสังสารวัฏเห็นคุณของพระเจ้าไหมอ๋อพอจะอ่านพอจะรู้แต่ศรัทธาไม่ไปอ่ะอ่ะจะทำไงอ่ะ อุปาท각มณสิกาไม่มีกระตุ้นศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไม่ได้ไม่เห็นคุณของพระเจ้าก็ต้องไม่เห็นโทษของสังสารวัฏันก็อันเดียวกั น, นใช่เพราะคนที่ทำให้ออกจากสังสารวัฏได้คือพุทธะันคนไม่เห็นโทษของสังสารวัฏก็คือไม่เห็นคุณของพระเจ้าก็คือไม่เห็นคุณของพทธเจ้าไม่เข้าใจในคุณของพระเจ้าก็คือคนที่ขาดศรัทธาในพุทธคุณ เมื่อสัท ธ, ธาในพุทธคุณไม่มีแล้วจะมีศรัท ธ, ธาในการออกจากสังสารวัฏอย่างไรใช่ฐานะที่จะออกได้ไหมก็ออกไม่ได้กระทองเที่ยววนเวียนไปมาอยู่ใช่ไมตรงนี้นี่แหละเขาบอกว่าสังวาตกาบหกสิบสี่สังวตทายีหกสิบสี่อันนี้ทำลายหมดวิวัตต ทวิวัตวิวัตะกลับอีกหกสิบสี่ในช่วงนี้เริ่มไหมเอาดินสถานที่เริ่มปั้นดินที่ตัดสรูก่อนอะโลพะอโทสาวโมหะเวลาจะสร้างโลกใบนี้ก็บอกว่าข้าพราะองค์เนี่ยจะสร้างแผ่นดินผืนนี้เป็นที่รองรับการตัดสรูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระเจ้าค้าที่โลพะโทสาโมหะได้ไปทํำลายไปแล้ว น่าจะเตัวเราเนี่ยไปสร้างไว้ตรงนั้นเป็นที่ร่องรับที่ตต่สรู้บ้างใช่ไหมที่บอกเป็นค่าเป็นค่าพระบาทเป็นทาตของพระเจ้าเนี่ยเอาสลีล่าเนี่ยไปทําเป็นที่ประทับด้บาบังไม่ได้หรือไงได้ไหมแต่ถ้านา ม, มาทําไม่ศรัทธาเอาสลีลไ่ไปไปไปบูชาพุระเจ้าได้ยังไงใช่ไหมใช่ต้องอะไรต้องนา ม, มาทํานนอบน้อมตรงนั้น ถึงจะเอารูปธระม ท, ทั้งหลายของเราเนี่ยปั้นเป็นดินเป็นที่รองรับการตัดสัูงของพระเจ้าจะได้ได้บุญบ้างใช่ไหมให้พระหมหาบุรุษได้นั่งที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะถูกไฟเผาไปหมดแล้วใช่ถูกไฟถูกอะไรต่างๆเผาทำลายไปหมดแล้วขอเอา ร่างกายและจิตใจเนาะบูชาท่านเนะทวไชยท่านไหมมีเศษผมเศษอะไรทึกนิดนึงนะไปปันเป็นดินตรงนั้นเนะพราอเป็นฐานรองรับฝ่าพระบาทของพระเจ้ามันจะได้บุญจากการที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยจากบารมีของท่านเนะมันจะได้มัมนมันจะได้คิดได้มากกว่าชาตินี้นะเนาะเห็นไหมเนะี่ยพูดอย่างเนี้ย ฉะนั้นในด้านของพอหลังจากสังวิวัติกับแล้วเขวิวัติฐาเยีก็ บ, บริบูรณ์ในทุกวันนี่เนี่ยก็เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้เริ่มลงในด้านของสังวัติกับอีกแล้วตอนนี้ยโลกกําลังถูกทําลายลงเรื่อยๆอย่างนี้นะเอออย่างๆนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มถูกทําลายตอนนี้แค่ขาลงยังไม่ได้ถูกทำลายเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปใหม่นี่ขึ้นลงมาใหม่นี่แหละลงมาอีกรอบแหละตอนนี้มันขาลงอยู่ไหม เราจะขาขึ้นเดี๋ยวขาลงอีกรอบเนี่ยเราจะเจอพู้เจ้าไปอีกครั้งหนึ่งคน น, นี้บุญนะแล้วเราจะหลงโลกไหมเนี่ยแสนโกดจักรวาลเนี่ยเราจะหลงไหมหลงไม่หลงสังสารวัตมันเยอะขนาดเนี่ยจะหลงไม่หลงเนี่ยถ้าถ้าเกี่ยวในเรื่องของชาติเขตใช่ไหมก็แคบลงหน่อย หมื่นใช่ไม้มอนาเขตก็แสนวิสัยเขตก็โอ้โหหาประมาณไม่ได้แล้วเราจะไปเกิดตรงไหนแล้วตั้งอัธยาสัยกันแน่นไหมเนี่ยเพราะความเป็นไปของขันธาตุอยนายตนะนี่มันมันมันไม่หยุดเนี่ยแล้วเราเราล็อกมันไม่ได้เราล็อกให้อยู่แค่ชมพูทวีปได้ไหมไม่ได้อีก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 ตรงนี้ที่ว่านาเขตก็คือแสนโกดจักรวาลก็ย่อมพินาตั้งอยู่ได้ดีพร้อมกันเป็นต้นเหล่านี้ท่านในพระบาลีจริงๆนะท่านใช้คําว่าติสาห ส, สีเขาเรียกพันโลกธาตุพอคิดพันโลกธาตุจะเป็นแสนโกดจักรวาลได้ยังไงพออ่านตรงเนี้นะพวกคํานวณไม่ได้ก็โอ้โหพันไม่ใช่แสนโกดจักรวาลเนี่เป็นปัญหาถ้าไปคิดเรื่องตัวเลขมันเป็นปัญหาอย่างนี้ที่ตรงนี้ต้องต้องนับอย่างนี้ เขาเรียกว่าติสหสีเนี่ยพันโลกธาตุขนาดใหญ่ไม่ใช่พันโลกธาตุธรรมดาในบาเลียโลกธาตุที่แวดล้อมด้วยห้อมล้อมด้วยภูเขาจักรวาลหนึ่งชื่อว่าโลกธาตุหนึ่งใช่ไหมโลกธาตุถินปานี้คูณด้วยคูณด้วยพันชื่อว่าสหสสีโลกธาตุขนาดเล็กไอคูณด้วยพันก่อนนะไอหนึ่งนี่นะคูณด้วยพันก่อนนะ เขตแดนนันเป็นวิสัยของภาษาวกทั้งหลายมีประมาณนี้มีประมาณนี้ก็หมายความว่าประมาณเท่าไหร่หนะึ่งพันเนาะหนึ่งหมืนประมาณหนึ่งหมืนคือพันคูณพันนี้เป็นเท่าไหร่พันคูณพันนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเท่าไหร่ถ้าพันคูณสองนี้เท่าไหร่ ฮถ้าพันคูณสิบอะประมาณนั้นน่ะนะเมื่อแบ่งโลกธาตุเนี่ยนะโลกธาตุในหนึ่งพันนั้นเป็นโลกธาตุละหนึ่งพันหนึ่งพันคูณพันเป็นทวีสหศีโลกธาตุขนาดกลางโลกธาตุนั้นน่เป็นสิบแสนโลกธาตุก็แบ่งแต่ละโลกธาตุในสิบแสนโลกธาตุนั้นเป็นธาตุละหนึ่งแสน แล้วคูณด้วยอีกสิบแสนชื่อว่าติสหัสสีหนึ่งพโลกธาตุขนาดใหญ่ฐานะอันแบ่งนั้นมีส2บสองราศีกับอีกหนึ่งฐานะจึงรวมเป็น13าฐานะ13าฐานะนั้นชื่อว่าแสนโกดคิดมอนไงไปรูก ฉะนั้นในวันที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจุติจากดุสิตมาถือปฏิสนธิในครันของพระมารดาในพบสุดท้ายในวันที่ประสูติจากครันของมันมารดาในวันที่ตัดสรตวในวันที่ประกาศธรรมจักให้เป็นไปในวันที่ทรงปรงพระชนมายุสังขารในวันที่เสด็จดับขันธปรินิพานนั้นหนึ่งมืนโลกธาตุก็หวั่นไหวอาณาเขตที่หวั่นไหวนี้แหละชื่อว่าชาติเขตชื่อว่าชาติเขตเห็นไหม มื่นโลกาธาตุดวนไหวนี่เป็นชาติเคศโลกาธาตุะมาหนึ่งแสนโกดชื่อว่าติสห ส, สีเนียเขาเรียกพันโลกาธาตุขนาดใหญ่นี่แหละคือแสนคือหนึ่งแสนโกดนี่น้ตถาคตเมื่อทรงหวังฐานะอันประมาณนี้พึงขจัดความมืดแพโอพาดจากระวละกายได้ยินพระสุรเสียงก็หมายความว่าเสียงของพระเจ้าแพ่แสงสว่างจากผวรกาย ฐานะประมาณนี้ชื่อว่านาเขตของพระผู้มีภาคเป็นอนาเขตนี่เป็นอนาเขตอนาเขตก็คือแสนโกดใช่ไหมในแต่แสนโกดจักรวาลเนี่ยนะอนุภาพของพระปริตมีอยู่เจ็ดพระปริตเนาะอาตานาติยาสูตรเมตสูตรทัชชคัปปริตโ พ, พ, พชังคัปปริศขันธปริต โมระปริตรัตนาปริตรของพระผู้มีภาคเจ้าแผ่ไปในที่ประมาณเท่านี้จั ก, กรวาลอันหาที่สุดไม่ได้แต่เนี้ยกําหนดประมาณไม่ได้ชื่อว่าวิสัยเขตพระผู้มีภาคเจ้าพึงเสด็จไปยังฐานะประมาณเท่านี้ธรรมดาว่าประเทศที่ไม่ใช่วิสัยเขตของพระเจ้ามีหรือไม่มีไม่มี เพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้ให้ภาเจ้าจำหนงหมายประมาณเท่าใดว่าสิ่งใดที่พึงรู้มีเท่าไใดพยานก็มีเท่านั้นในความที่ประเทศที่ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าไม่มีนะท่านถึงบอกใครๆจะพึงขนเมล็ดพันธุ์ผกาศทีละเม็ดใส่ในจักรวาลแต่ละจักรวาลในทิศตะวันออกในให้เต็มเมล็ดพันธุ์ผักกาศทั้งหลายในแสนกว่าจักรวาลจนถึงพรมโลกเมล็ดพันธุ์ผักกาศเหล่านั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมด บุคคลผู้ขนมเมล็ดพันธุ์ประกาศมาใส่ไม่พึงพบความสิ้นสุดแห่งจั ก, กรวาลทั้งหลายในทิศตะวันออกไปเหอะวิ่งไปทิศตะวันออกเนี่ยวิ่งไปพบก็เอาเมล็ดพันธุ์ประกาศย่อนเจอจักรวาลหนึ่งก็ย่อนเจอโลกไปนึงก็ย้อนนี่ยอมดิ้มนะทาเนี้ยที่มีสัตว์นี่ยย้อนไปย่อ น, ออนไปมเมล็ดพันธุ์ประกาศทั้งจักรวาลนี่หมดก่อนแต่ยังไม่ยังไม่หมดหนี สังสารวัตนั้นขนาดนั้นสังสารวัตในขนาดนั้นใครจะคน้นถ้าไม่ใช่พูะเจ้าใครจะเห็นทุกข์กษัตริย์มากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าใครจะเห็นสังสารวัตที่ยาวไกลขนาดนี้ถ้าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นสังสารวัตต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวเทียบเทียมเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเห็นแล้วจะสลด ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นตั้หาผูกกีดขวางเขาไว้เนี่ยนะตั้หาผูกติดเขาไว้ในเชื่อมติดไว้เนี่ยท่องเที่ยวไปมาอยู่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบใช่ไหมน้ําตาของเธอเลือดของเธอว่าไปเหอเนี้ยมากกว่าน้ำนิมหาสมุดว่าไปะนะ อ, อนามตักสังยุตก็เอามาใส่ได้เลยเธเนี้ยแต่ต้องปัญญาของพระพุทธเจ้านําดูแลถึงจะเห็นก่อน จึงจะสลดเนาะพึ่งเห็นอยู่ในจักราวาลทั้งหลายทางด้านทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกก็ในนี้เดียวกันในประเทศที่ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าไม่มีเลยทีนี้เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระอน น, นก็คิดว่าในโลกนี้ปราศจากความเสมอกันจักราวาลหาที่สุดไม่ได้ในเรลาจักราวาลเหล่านั้นพระาทิตย์ขึ้นหนะ้าที่แห่งหนึ่งในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลากลางวานันในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลา อาทิตตกในที่แหนึ่งเป็นเวลาปฐมยาณในที่แห่งหนึ่งเป็นวายามัชชิมยาณเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นปัจฉิมยามเป็นต้นเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายขวนขวายทาการงานสนใจในการเล่นขวนขวายในการจะนอนขวนขวายในการรับประทานอาหารก็ย่อมจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านและประมาทด้วยเหตุเหล่าอย่างนั้นพระศาสดาพึงเห็นได้ได้ยินเสียงได้อย่างไรเนาะก็บอกโอ้เนี่ยก็จักรวาลต้องไม่รู้แสนกวจักรวาลน่ยบางโคบังจักรวาลกับกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันสลับกันบางเนี่ยนะ สัตว์เหล่านั้นก็มีโมหะมืดบอดบางคนก็ทําการงานบางคนก็เที่ยวเล่นบางคนก็นอนบางคนก็สนุกสนานบางคนก็ทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่เห็นทุกข์กันจริงไงสังสารวัฏมันก็ปั่นปวนนวน่วนเว้านนวลโ้แล้วพระบรมศาสดาเห็นยังไงรู้ยังไงแม่ตาพานนป่าถนาเป็นพุทธเจ้าเองว่งานอนจะไม่สงสัยตรงนี้ท่านนสงสัยตรงนี้เป็นเหตุทํำให้เรารู้ปังใช่ไหมก็ปัญญาระดับท่านพานน เรานี่เทียบไม่ได้ฝุ่นเลยไม่ติดเล็บเลยนะท่านคิดออกขนาดนั้นนะท่านก็ยังสงสัยถ้าผู้พิพาจ้าตอบว่าอนุนตถาคตแผ่แสงสว่างจากสรีระนี่ยนะพระอนุนก็ทูลถามว่าพระพุทธแผ่แสงสว่างไปทําอะไรพระเจ้าตอบว่าพระอาทิตย์ปรากฏนาที่ใดตถาคตจะทําให้พระอาทิตย์นั้นตกในที่นั้น <c oughs> เอาสิคือแสงสว่างกบอาทิตย์กัน ด, ดวงอาทิตย์ก็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 ตรงนี้ก็คือว่าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ไปนิดไหนแสงสว่างก็เกิดขึ้นเนาะทีนี้ครั้งนั้นพระตะถาคตทรงประกาศให้ได้ยินเสียงการแสดงธรรมก็บุคคลใดกระทำภูเขาจักรวาลลูกหนึ่งให้เป็นกองกระทำพื้นแผ่นดินให้เป็นหนังกองกระทำภูเขาสิเนรุให้เป็นไม้ตีกองยืนตีบนยอดเขาสิเนรุลูกอื่นบุคคลนั้นพึงได้ยินเสียงนั้นในจักรวาลหนึ่งเท่านั้นลองคิดดูที ทำไงนะอุปมาตรงนี้นะก็คือว่าบุคคลใดเอาภูเขาจักรวาล น, นี่นะลูกหนึ่งเป็นเป็นกองเลยเอาพื้นแผ่นดินใหญ่เป็นหนังเป็นหนังกองนะเป็นหน้ากองนี่นะเอาเขาซีเนลุให้เป็นไม้ตีกองอนะใหญ่ขนาดนั้นนะและ้วยืนอยู่ภูเขาซิเนลุอีกจักรวาลหนึ่งตีดังได้แค่จักรวาลเดียวเสียงกองเนะี่ย ดังสุดๆแล้วในได้จักรวาลเดียวเท่านั้นอ๋เหออ่าไปคุยกับพ่อไปคุยทีนี้เดี๋ยวไปไปคุยกั น, กนทีนี้นนตถาคตป็นทีนี้ถ้าบอกบอกว่า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 ส่วนตถาคตนั่งบันลังเดียวพึงให้ติสหสีพันโลกธาตุคือแสนโจรวานเนี่ยนะขนาดใหญ่ได้ยินเสียงหรือจะให้ได้ยินยิ่งไปกว่านั้นก็ได้นี่คือแสดงสามสถานะประมาณนี้เป็นวิสัยเขตของพระพุทธเจ้ามีอนุภาพก็เพราะเราได้ให้การบรรลือของพระพุทธเจ้านั่นแหลพระนนท์ก็เกิดปีติพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะท่านพรนนท์เกิดปีติ บอกโอ้โหทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมท่านพานนก็เกิดทั้งขุทกาปิติคณิกาปิติเพิงกาปิติพัฒนาปิติโอกันติกาปิติเกิดครบเลยพิติเกิดพิติเกิดนี่อนุภาพของพระพุทธเจ้าอัปมานโนพุทโธอัปมานโนธโมอัปมานโนสังโฆเห็นเห็นคุณของบารัตนตรัยหาประมาณไม่ได้ ก็พระได้ฟังการบรรลือของพระพุทธเจ้าท่านเกิดปีติภายในท่านนนเถรานั้นเปล่งอุทานด้วยกําลังปีติว่าเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ได้ถือบาดจีวรของพระาศาสดาผู้เห็นป่านี้เที่ยวไปที่ได้กระทานบีบนวดพระบาทที่ได้ถวายน้ําล้างพระพักน้ําสง์ที่ได้ปัดกวาดบริเวณประคันตะกูดีที่ได้ทูลถามปัญหาในข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ที่ได้ฟังทำมีคาถาอันไพเราะแม้ทั้งหมดเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของท้าพระองค์ที่ข้าพระองค์มีพระศ า, าสดาผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้พระเถระเกิดความเลื่อมใสในเทศนาของพระบรมศาสดาอย่างยิ่งนครั้งนั้นถามว่าแล้วเราเป็นลาภของเราตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้พิจารณาด้วยที่เราได้ถือบาตรของพุทธเจ้าไหมได้บีบนวดเทราบาตรไหม ได้ถวายน้ําล้างพระบาทได้ถวายน้ําสงได้ปัดกวาดบริเวณพระคันตกุดีบ้างไหมเนี่ยได้เช็ดได้ปัดแดงต่างไปกราบทูลพระธาตุไปบูชาท่านใช่ไหมไปถวายชีวิตกับท่านจริงจริงจังๆเนี่ยนะได้ทูลถามปัญหาข้อสงสัยแล้วก็ได้บ้างเนาะตรงนี้นะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้ฟังทำมีคาถาอันไพเลาะนะแต่ไม่ได้เกิดจากพระโอษฐของท่านใช่ไหม แต่ว่าเป็นพระธรรมนั่นแหละแต่ใจเรามันไม่ถึงไงผ่านตัวหนังสือแต่พระธรรมเนะี่ยเกิดจากพระโอษ น, นั่นแหละแต่ไม่กว่าจะถึงเราเดินนะใช้เวลาสองพันกว่าปีอ่ะเมื่อเราสัตว์บุญน้อยอสัตว์บุญน้อยได้แค่นี้แต่ที่ก็ลาบอันประเสริฐลาบปัญหาประมาณไม่ได้ใช่ไหม เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์มีพระศ า, าสดาผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้พระเถระก็เกิดความเลื่อมใสตรงนี้ถ้าดูรายละเอียดก็ต้องไปดูในอังคุตตะนิการติกานิบาศเนี่ยไปดูนี่ยนังคุตตะลานิการติกานิบาศเนะ น, นีย่ยนะั่นแหละไปดูตรงนั้นก็จะได้ทีนี้ท่านแสดงพ่อใส ว่าพระผู้มียภาคนั้นอาศัยกรุงสาวัตถีปทับที่เชตวันพระองค์ก็แสดงอะไรแสดงอรุณะววดีวดีสูตรอันนี้ก็ในสังยุตต น, นิการนิทานวักนั่นแหละเออไม่ใช่นิทานวักสราสะขาทวักในสูตรนั้นที่แสดงบอกว่าอภุกคตายัสคุณาอนันตาเป็นต้นนันเนาะ พระพุทเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายหาที่สุดมิได้ทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งดวงในพุทธเขตทั้งสามก็คือในชาปเขตในอนาเขตในวิสัยเขตเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างให้กับพุทธเขตทั้งสามนี่นแหละใครอยู่ในชมบูทวีปก็ได้แสงสว่างมากใช่ไหม ท่า ใ, ในเรื่องนี้นียก็เปลี่ยนเสมือนจิตรกรที่ประสงค์จะเขียนภาพจิตกรรมที่ทําให้พื้นให้ ส, สะอาดแล้วก็เขียนภาพจิตกรรมในภายหลังชั้นใดนีกรณีที่เราศึกษาพระธรรมคําสอนทั้งหลายเนี่ยอันนี้ท่านประกาศอะไรเนี่ยท่านพ ร, า, า, า, ร, รานาอาสาธารณญาณของพุทธเจ้าจึงแสดงวิสัยอันเป็นเขตเป็นที่ตั้งความเป็นไปของปัญญาเป็นต้นเหล่านั้นตรงนี้เราศึกษาตรงนี้ก็จะได้เห็นคําว่าพุทธเจ้านั้ น, นมีเป็นโลกวิทูจริงๆกันนะ เป็นโลกวิทูจริงๆรู้แจ้งโลกใช่ไหมทีนี้ก็ไปตามดูในโลกวิทูนะที่ท่านบอกว่าไม่ว่าเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้โดยการไปและยังไม่ถึงที่สุดแห่งการของโลกย่อมไม่มีการเปลื่องตนจากทุกข์เพราะเหตุ น, นั้นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบธ ร, รรมจันร์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลก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 ไอ้ซี่กรรมก็พังกงก็หลุดลุดหมดแล้วแล้วมันจะเดินยังไงขันท่าใดยะต น, นะใช่ไหมเมื่อไม่มีเพลานีไ่ไปยังไงไปในภพสามไม่ได้แล้วการไปภพรูปภพไปรูปภพเพลามันหักแล้วไอ้ตัวดุมมันแตกนั่นอะสี่กรรมเนี่ยกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นเลนชา้ามันจะตั้งตรงไหนมันแตกแล้วอาวิชาและตันหามันพังไปหมดแล้วใช่ไหม กรรมมันก็พังพรากรรมมันพังไปเสร็จวิบากเชราโมรณะขันรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณหมด ก, กระจายเอรอแปลว่ามันไม่มีเหลือเลยตอนนี้ยแล้วมันจะกลิ้งไปในภพสามได้ยังไงขันท่าไดยตนามันก็แตกสลายหมดเลยนี่วัตฏะขาดเลยวัฏฏะขาดเลยเห็นไหมมันขาดอย่างนี้นี่เราเห็นทางแล้วเราเห็นแล้วมันเป็นอย่างงี้ ใช่ไหมเข้าใจไม่เห็นนั้นแล้วจะเดินยังไงเห็นทางเดินแล้วดวงจันทร์และดวง อ, อีกอย่างหนึ่งนะท่านแสดงโลกสามเขาไว้สังขารและโลกสัตว์แต่โลกโอกา ส, สโลกได้นบรรดาโลกทั้งสามพึงทราบสังขารโลกในอนาคตสถานว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นต้นเดีอดไปขยายต่อ เพิ่งทราบอีกอย่างหนึ่งโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงอ่ยอากาศสโลกก็ต้องตั้งทราบว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมด้วยโลกทั้งทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอํานาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นจักรวาลในที่นั้นก็ดังที่ได้กล่าวพันนะเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเขาเรียกเป็นมหาเป็นเป็นเป็นหญ่พระพนะุทธเจ้าน่ยรู้โลกทั้งสามโดยประการทั้งปวง ถ้าผู้มีพระเจ้านั้นทรงรู้สังขารโลกด้วยประการทั้งปวงก็ได้แก่อะไรโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้โดยอาหารโลกสองนามและรูปโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกก็คืออายตนาภายในหกโลกเจ็ก็คือวิญญาณนาิติเจ็ดโลกแปดก็คือโลกธระทำปดโลกเก้า็คือสัตวะเก้าโลกสิบคืออายตนาสิบโลกสิบสองก็คือ อายตนะสิองโลกสิดก็คือทาสิบแปดเป็นต้นอันหนึ่พระบรมศาสดาในทรงทราบอาศัยอนุสัยจริตอธิมุตของสรรพสัตว์ทรงทราบสัตวทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากักษุน้อยมีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากักษุมากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการเลวผู้เข้าใจได้ง่ายผู้เข้าใจได้ยากผู้ควรผู้ไม่ควร น, นะ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 ตลอดอนันตจักรวาลเนี่ยนะคือจักรวาลหนึ่งทั้งด้านยาวทั้งด้านขวางเป็นต้นเหล่านี้ยมีประมาณเท่าไรพระองค์รู้เบีดเสร็จหมดเลยคํานวณได้เบีดเสร็จแต่การคํานวณที่อาจารย์อาจารย์ท่านมาจัดเป็นโยอดนะั้นมันต่างจากโยอดที่เราเข้าใจกันถ้าเขียนเข้าไปทันทีเนี่ยมนุษย์ในปัจจุบันนี่ไม่เห็นคุณเลยลบลูคุณนันดีเลยเนีย่นี่ไม่เข้าใจไอ้คาว่าสังขยา้วยการประมาณเนี่ยท่านใช้คำว่ายอดใช่ไหม ตั้งอยู่บนที่บอกว่าในความหนามีประมาณที่สองแสนสี่มื่นยอดเป็นต้นที่รองรับพื้นแผ่นดินนั่นแหละตั้งอยู่บนลมโดยความหนาสี่หมืนแปดพันยอดเป็นต้นลมที่อุ้มทานน้ําอยู่พัดขึ้นไปบนท้องฟ้าโลกก็ตั้งอยู่ก็จักรวาลที่ตั้งอยู่แล้วอย่างนี้มีภูเขาสิเนรุเด่นกว่าภูเขาอื่นทอดลทอดลงในมหาสมุทรอีกแปดหมืนสี่พันยอดเป็นต้นเหล่านี้นะ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 ไม่ว่าจะในสมันตาภาสาธิกาและในคำพีสารัตถีปณีดีกาเป็นต้นเนาะหรือในคำพีของในด้านของวิสุทธิมรัตษ์ทั้งอริถกราและดีกาปรมัตถชัน้นสุสามหาดีกาเนี่ยนะท่านบอกว่าสัพพัทธานเนี่ยโลกวิทูเนี่ยพ่อรู้แจ้งโลกใช่ไหมสัพพัทธาก็แปลว่าโดยประการทั้งปวงท่านอธิบายบอกว่า พึงทราบโดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นท่านอาจารย์ท่านประสงค์โดยสภาวะเนะี่ยคว่าโดยสภาวะโดยสภาวะที่เป็นทุกขสัตย์ที่รู้โลกอะไม่ว่าจะรู้สังขารละโลกนะสัตวโลกโอกาสโลกเนี่ยรู้เห็นโลกทั้งหมดก็พระองค์รอบรู้คือทำปริญญาหมดเลยด้วยความเป็นทุกขสัตย์ในกลุ่มของเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านรู้ตั้งแต่นามธรรมใช่ไหมรูปธรรม คือรู้ขันห้ารู้อยายตนะรู้ธาตุที่สืบต่อติดก่อกันโดยไม่ขาดสายที่เรียกว่าสังสารวัตแล้วและไม่ใช่รู้แค่โลกยังรู้เหตุเกิดของโลกยังรู้ความดับของโลกยังรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของโลกไอ้ตรงเนี้ยทุกชนิดทะลุดทะลวงหมดเนี่ยนะอันเนี้คําว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกโลกตั้งขึ้นที่บอกว่า โลกโดยทั้งหมดสภาวะเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่ตรัสว่าว่าโดยย่ออุปาทานกันห้าเป็นทุกข์เห็นไหมท่านกําหนดลงย่อลงมาโดยดย่อในอุปาทานกันห้าเป็นทุกข์โดยสมุทัยก็โลกนั้นตั้งขึ้นด้วยเหตุใดด้วยเหตุนั้นคือโดยเหตุมีตัณหาเป็นต้นท่านก็รู้ท่านก็ละได้แล้วด้วยโดยนิโรธก็คือโลกนั้นดับไปด้วยทำใดทำเหล่านั้นเป็นวิสังขารเป็นนิพพานเป็นอนุปาทานเป็นนิพพานพระองค์รู้ไหมรู้ โดยอุบายนั่นคือข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรดนิโรตนั้นบุคคลพึงถึงได้ ว, วิธีใดโดยวิธีนั้นคืออริยมรรคในพระองค์ก็ทราบเพราะประการอื่นจากอริยมรรคมีไหมละ่ะที่เราจะรู้โลกกับนิโรดเนี่ยไม่มีเลยทีนี้ได้ทรงรู้โดยประการทั้งปวงโดยประการชนี้เมื่อจะทรงแสดงพระสูตรอันเป็นเนื้อหาที่ให้สําเร็จจึงกล่าวถึงพระสูตรที่วกดูกรภิกษุอาวุโสในที่นั้นแลเป็นต้นเนะี่ย ในพระสูตรนั้นเทวบุตรชื่อโลหิตะท่านยกเลยที่ยกมาเนี่ยที่ขยายไปแล้วเนี่ยหมายเอาการไปสู่โอกาสโลกเทพบุตรนั้ น, นได้กาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในที่สุดแห่งโลกใดแลสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่สุดแห่งโลกอ น, นั้นบุคคลอาจจะรู้หรือเห็นหรือไดหรือถึงไดหรือหรือโดยดโดยการไปหรือพระเจ้าค่า พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสภาษิดไว้ในบรรดาคำเหล่านั้นนะพระองค์ปฏิเสธการเกิดเป็นต้นอย่างตรงตงได้คำว่าไม่เกิดเป็นต้นแล้วปฏิเสธความเคลื่อนและความอุบัติไปๆมามาได้บททั้งสองว่าไม่เคลื่อนไม่อุบัติตรงนี้เขาก็มาวิจารณ์กันบอกว่าพระองค์ตัดไว้เกี่ยวกับข้าพเศษ ย, ยกะกาเนิดสังเสทาชะโอปปาติกะชลาพุชะเป็นต้น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 ยาตายังทิฏฐายังปัตตาอย่างเนี่ยท่านก็ตัดเป็นยาตาอายังทิฏฐาอยังปัตตาอายังเป็นต้เนี่ยนะเราได้กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องกา ร, ฤฤฤฤรา ก, การไปในนิพพานนี้รู้ที่สุดแห่งโลกด้วยการไปนี้ที่สุดแห่งโลกเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยนิพพานนี้เป็นที่สุดแห่งโลกเข้าใจคํานี้ไหมคือพระพุทธเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยการต้องการด้วยนิพพานเนี้ย คนที่ต้องการด้วยนิพพานนั้นด้วยการรู้ที่สุดแห่งโลกด้วยการไปที่สุดแห่งโลกนั้นเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยนิพพานนี้เห็นที่สุดแห่งโลกด้วยการไปนี้สุดแห่งโลกเราได้กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการพระนิพพานนี้นถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไม่ด้วยการไปนี้สุดแห่งโลกนั่นแหละยังเนท่านก็โยกนิพพานัตติโกเขาบอกไงทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจะแสดงว่าใครๆไม่อาจ เพื่อจะได้ด้วยการไปด้วยเท้าเพื่อรู้เห็นหรือที่สุดแห่งโลกได้จริงอยู่ถึงกข น, นั้นเราจักบัญญัติแห่งที่สุดแห่งโลกไว้ในที่นั้ น, น, นไว้ประมาณจริงได้ตัดธรรมาทิฏฐิดังที่ได้กลัดไว้ <c oughs> ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงที่สุดของโลกได้พระองค์ก็เลยตัดที่สุดของโลกเอาคือพันนิพานถ้าจะไปท่องเที่ยวเนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหม พระ อ, องค์บอกว่าถ้าต้องการรู้ที่สุดของโลกนิพพานไงนิพพานเนี่ยเป็นที่สุดของโลกท่องเที่ยวไปมานะ่ะเสียเวลามันไม่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้แต่ที่สุดของโลกมีอยู่คือพระนิพพานหนทางที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งโลกมีอยู่ข้อปฏิบัติมีอยู่ใช่ไหมวิธีวิจัยโลกให้เห็นโทษของโลกเห็นโทษของสังสารวัฏมีอยู่ใช่ไหมรู้สังสารวัฏเพื่ออะไรเพื่อเบื่อหนายวัตถุนิเป้าหมายหลัก คุณไม่ใช่ เ, เรียนสังสารวัตรกันแล้วเพื่อไปเพลิดเพลิพนผิดเป้าหมายผิดพุทธประสงค์การเกิดมาการไปเห็นสังสารวัตรเนี่ยต้องเห็นแล้วต้องหน่ายพุทธญาติจะใช้คําว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกําหนัดเพียงพอแล้วที่จะละใช่ไหมที่จะปล่อยที่จะวางได้แล้วขันธภ า, าระคนวางโลกภายนอกกว้างใหญ่โลกภายในก็ลึกซึ้งใช่ไหม ถามว่าเรามันโมหะปิดทั้งหมดเลยอ่ะโลกภายในก็ไม่เห็นโลกภายนอกก็ไม่เห็นไม่เจะดูสังสารวัตภายในหรือภายนอกสังสารวัตรภายในก็เดินอยู่สังสารวัตรภายนอกก็เดินอยู่เห็นไหมไม่เห็นหมดเลยก็เลยต้องเขียนสังสารวัตผู้เขียนต้องเหน็นเห็นไหมต้องเห็นต้องเข้าใจเนาะต้องเห็นต้องเข้าใจคือเขียนแล้วทุกข์ขัดเกลื่อนตลอดเวลาเลยอ่ะ เห็นท um um e uh ุกขศาสตร์เบ e, e ื่อหน่ายมากในขณะที่เขียนในขณะที่เชื่อมต่อใช่ไหมบางค่าวเห็นขนาดทุกข์มากทุกจนรู้สึกโอ้โหเนี่ยหน้าเบื่อน่ายแท้การอยู่ในสังสารวัตรใช่ไหมการหมุนไปของสังสารวัตนี่น่าเบื่อมากคนศึกษาก็จะได้อัธยาศัยจากการตัดต่อจากการเขียนจากการพูดนั่นแหละเพราท่านบุญนั้นเบื่อยิง เหมือนพระเจ้าเนี่ยเบื่อจริงๆพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อจริงๆพระธรรมที่ตรัสออกมาตรัสมาด้วยความเบื่อหน่ายเพื่อให้สัตว์คลายกำหนัดจริงๆอาแล้วคลายกำหนัดแล้วเบื่อได้ยิงใช่ไหมเพราะทุกอัตทุกพยั ญ, ญชนะที่นั่นมานั้นออกมาด้วยสรรพยุตยานออกมาด้วยความเห็นความจริงของสรรพสิ่งจริงๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายท่านละคายสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยท่านทําปริญญารอบในสิ่งเหล่านั้นด้วยท่านเห็นโทษเห็นทุก ท่านจะชี้ไปในสังสารวัฏพระเจ้าสมัยใดมาตราัสสาวกของพระเจ้าแม้จะมาในนาคตท่านจะมองว่านี่สามั ญ, ญลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตายอย่างไงเพียงพอแล้วเธอจะต้องเบิดนะไม่เห็นเอาสัตว์บุคคลมากล่าวถ้าสัตว์ที่จะพอรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของปุกราบัญญัติพระองค์แสดงปุกราบัญญตัติถ้าแสดงเกี่ยวในเรื่องของปรมัตเทสนาพระองค์แสดงปรมามัตเทศนาเห็นไหมเขจะแทงตลอดได้ตรงไหนนะพระองค์ก็เป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้น นั่นคือพระเจ้าทำยังไงก็ได้กระชากจิตของสัตว์นั้นหลุดออกจากวัตถุกรรมไม่ได้เพราะวัตถุกรรมเป็นสิ่งหรือสังให้หลุดจากสังสารวัตรให้ได้เพราะสังสารวัตรนั้นน่าเบื่อจริงๆท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นโทษเพราะเราไม่เคยทำบาริญญาในสังสารวัตรใช่ไหมทีนี้ในกาเลวะในประมาณวันหนึ่งเนี่ย แต่แก่อัตภาพมีวาหนึ่งเป็นประมาณด้วยคำนี้พระพุทธเจ้าแสดงถึงอะไรแสดงถึงรูปประคันแสดงถึงรูปยี่สแปดก็เลยวาละวาหนึ่งเน่ยวาของใครของมันนี่นะใช่ไหมเคยเห็นกบไหมเวลามันมันมั น, ม, น, ม, นมันก็เท่ากับวางมันเน่ะกบเขียนแรงตังมันเนี่ยนะวาใครวามันแลาวทำไมบอกประมาณวาหนึ่งอะ่ะเพราะวาหนึ่งพอดีอะ่ะใช่ไหม เขาบอกเอา้าแล้วลิงอ่ะแขนมันยาวอ่ะเอากระ ว, วาของมันไงก็กระเรวละมันก็คือแขนมันด้วยก็ใหญ่ใช่ไหมประมาณวานหนึ่งของใครของมันนั่นแหละนี่กรเลเวละคือรูปธรรมเนี่ยท่านใช้ศัพท์ดีนะนี่แหละรูปธรรมนี่แหละเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเนี่ยไม่ได้มามองโยมโยมมองอะไรมา